สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซตูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิหกอิสราเอลตอนที่เจ็ดครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมขออนุญาตบอกที่มาที่ไปของอิสราเอลทั้งเจ็ดตอนนี้ก็คือผมได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมรับใช้กับหน่วยงานศรีบาลจากที่จังหวัดรเทศไทยนะครับก็คือนำศรีบาลทั้งหมดนะครับสามสิบชีวิตรวมทั้งผมเองด้วยนะครับที่จะไป ตามรอยพระบาทพระเยซูที่กินแดงแห่งพันธุยาก็คือประเทศอิสราเอลครับเราจยัดขึ้นในวันที่11ถึงวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นรองคำไปทุกวันผมเองก็ได้สรุปเรื่องราวและสถานที่ต่างๆที่เดินทางไปจริงๆแล้วอยู่ที่นั่น6วันเต็มนะครับแต่วันที่7นี้ผมขออนุญาตก็คือจะนําเสนอสิ่งสุดท้ายที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนมานะครับ ก็คือยักห์วาเคิยักวาเค็นนะครับคำว่ายาักห์วาเค็นนั้นก็คือสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะครับให้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เ้าเรียกว่าเป็นฮอโลคอสต์มิวเซมนะครับก็คือพิพธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้า ง, งเผ่าพันธุ์ชาวยิวนะครับหกล้านคนโดยฮิตเลอร์และพรรคพวกก็คือพรรคนาซีเยอรมัน เพราะถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการเอ่้ามครวนเป็นสถานที่แห่งการศึกษาหาความรู้นะครับในการดูการสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่หลายหลคนก็ได้มาแล้วก็ร้องไห้ครับร้องไห้อะไรก็คือร้องไห้พเพราะเนื่องจากว่าทนไม่ไหวที่เห็นถึงความโหดเหี้ยมที่มนุษย์ได้ทําต่อมนุษย์ด้วยกันมันมีกระบวนการครับก็คือการสร้างความรู้สึก ที่ว่าคนยิวนั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นฆ่าคนยิวได้ไม่บาปและผู้ที่คิดอย่างนี้ก็คือเป็นประเทศที่เรียกตัวว่าเป็นประเทศเฮอร์สตียนถูนไหงครับเราจะมาดูกันครับว่ายัสวาเชมนั้นเป็นอย่างไรและมาอย่างไรที่มาของคำว่ายัสวาเชมก็คืออยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่ห้าสิบหกครับอิสยาบทที่ห้าสิบหก โปรดฟังพจนะของพระเจ้าภายในนิเวศของเราและภายในคำแพงของเราเราจะให้อนุสาวรี์และชื่อแก่เขาเหล่านั้นที่ดีกว่าบุตรชายและบุตรหญิงเราจะให้ชื่อนิรันด์แก่เขาทั้งหลายซึ่งจะไม่ตัดออกเลยนะครับนี่คือที่มาของคําว่ายัสวาเชมคำว่ายัสวาเชมนั้นภาษาฮิบรูก็อยู่ที่คําว่ายัสนะครับยัสแปลว่าชื่อครับ อ p เ e s place, ภาษาฮีบรูนะครับ place, แปลว่าขอโทษครับยาสแปลว่าอพเรสแปลว่าสถานที่ครับ what came, what came, และวาเคมวาแปลว่า name นะครับภาษาฮีบรูคําว่ายาสวาเค m แปลว่า a p เ a สแ a นด์อันเเป็นเอกพจน์นะครับก็คือสถานที่หนึ่งและชื่อหนึ่งกับเขาชื่อนี้และสถานที่นี้ดีกว่าบุตใชายและบุตรหญิงมีความหมายว่า ชื่อและสถานที่ที่พระเจ้าจะให้เขานะครับ a place and name ชื่อและสถานที่ที่พระเจ้าจะให้เขานะดีกว่าการมีลูกชายลูกสาวครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกสาวและลูกชายนั้นแมตติวเฮรี่อธิบายแบบนี้นะครับบอกว่าการมีลูกชายลูกสาวนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วแต่ไม่แน่ครับว่าลูกชายลูกสาวนั้นจะนําความดีมาถึงครอบตัวหรือขอบส่วนตัวเองได้หรือไม่แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าตีให้กับ คนที่รักพระเจ้าแม้แว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในจารีถือพระเจ้าครับในพระนิเวศของพระเจ้าและภายในกำแพงของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ยาสวดเข็มให้กับเขายาสวเข็มคืออนุสวรีคือสถานที่หนึ่งครับและชื่อหนึ่งดีกว่าลูกชายลูกหญิงนะครับลูกสาวลูกชายสาวอสรนะครับคือความหมายของขรอผีตอนนี้ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับสอบคริสเตียเรา แ, แล้วนะครับการจะตีความหมายพู้มีีตอนนี้คนยูตีความหมายพู้มีผีว่าผู้มีีนี้สําเร็จก็คือเขาได้สร้างยักวัสดิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคริสเตียรเรานั้นเรามีความหมายท า, างจิตอิงยานครับยักษ์สวัสดิที่นี่จะมีความหมายว่าเป็น book of life นะครับก็คือหนังสือแห่งชีวิตซึ่งชีวิตของเราชื่อของเรานั้นจะถูกบันทึกไว้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและ นะครับและยักษ์ก็คือเพลนะครับเพลสนี่นั่นก็คือสถานที่นั้นก็คืออยู่ในหนังสือครับหนังสือนั้นเป็นที่ที่เป็นอนุสารีาร์เป็นที่ที่อยู่บน ช, ชื่อของเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นเอกพจน์นะครับไม่ใช่ผู้พจนนะครับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมาหรวมไม่ยกเข่งนะครับ แต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเราจะมีชื่อของเราบันทึกอยู่ในยักษ์วาดเข็มของพระเจ้าพื่อให้เราดูครับว่ายักษ์วัเข็มที่เราไปเยี่ยมเยียนอันนี้เขามีประวัติว่าอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่ายักษวาดเข็มนั้นเป็นเป็นอนุสรหรือพิพิธภัณฑ์นะครับของอิสราเอลที่มีคนชอบที่ไปเยี่ยมมากที่สุดเป็นอันดับสอง ถือว่าเป็นสถานที่ที่คนชอบมากที่สุดเป็นอันดับสองครับสถานที่ที่ที่คนชอบมากที่สุดก็คือเทโพเมานะครับก็คือคอนแวนร้องไห้ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้ฐานของพระวิหารนะครับที่อยู่ใต้ดินมากที่สุดครับยัสโซเทมเป็นแห่งที่สองครับยัสโซเทมนั้นอยูอ่บริเวณทางฝั่งตะวันตกนะครับเนินทางตะวันตกของภูเขาที่เรียกว่า ภูเขาเฮอร์โซนะครับเป็นภูเขาที่เขาใช้วางนะครับหรือเหรือก่อสร้างสถานที่จำลึกนะครับถึงเยรูซาเล็มภูเขานี้นะครับมีความสูงถึง804เมตรนะครับเหนือระดับน้ําทะเลและอยู่ติดกันกันกนกบเยรูซาเล็มฟอเรสนะครับก็คือสวนสาธารณะหรือป่าของเยรูซาเล็มนั่นเองพี่น้องครับดัสวาเกนนมีความหมายว่าอัพเพรส แอันนะครับก็คือสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นอลสอเรและชื่อนะครับให้เรามาดูกันครับว่าในโพชนาของพระเจ้านะครับกิจยาบทที่ห้าสิบหกข้อที่ห้าผมได้อ่านไปแล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยักษ์ควาเกียนั้นก็คืออนุสรสถานมีทั้งของเก่าๆนะครับซึ่งเป็นรองเท้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่เก็บมาแสดงนะครับเป็นหนังสือเก่าๆที่คลนิวนั้นได้อ่านนะครับเป็นหนังสือของคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วบ้างนะครับหนังสือของคนที่รอดชีวิตแล้วบ้างเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลักฐานชิ้นสําคัญสําคัญก็คือเป็นจดหมายนะครับในช่วงแรกๆที่ถูกส่งออกมาหรือเป็นจดหมายของผู้ที่รอดชีวิตนะครับ หรือเป็นบทความบันทึกของผู้ที่รอดชีวิตที่ได้ส่งของออกมาเหตุการณ์ของการก่อเกิดยาสปาร์เกก็คือฮอลคอสฮอลคอสก็คือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวในสมัยสงครามาโลกครั้งที่สองโดยนาซีรมันซึ่งมีผู้นําคือฮิตเลอร์ครับที่น้องครับในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนั้นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลายบลครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล ก็คือในสมัยของพนางเอสเธอร์นะครับเราคงจำได้ชื่อของโบรเดทัยนะครับชื่อของพนางเอสเธอร์แล้วก็ชื่อของฮามานนะครับซึ่งเป็นคนที่คิดแผนกำจัดนี่ครับแต่ในครั้งนั้นกำจัดไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาไว้แต่ครั้งนี้คนยิวนั้นถูกฆ่าตายถึงหกล้านคนที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกับคนยิวครับ พลนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับในพระคัมภีร์ใหม่ลูกาบทที่21ครับพระเยซูทรงทํานายถึงเรื่องกรุงเยรูเซเล็มนั้นถูกทําลายโปรดฟังพลเนะของพระเจ้านะครับลูกาบทที่21ข้อ20เมื่อท่านเห็นกองทัพมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูเซเล็มเมื่อนั้นท่านจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีเบียงภูเขาและผู้ที่อยู่ในกรุงให้ออกไปผู้ที่อยู่บ้านนอกก็อย่าเข้ามาในกรุงเพราะว่าเวลานั้นเป็นวันลงโทษเพื่อจะให้ถึงสรภาพที่เขียนไว้สําเร็จในวันนั้นวิบัตแิแก่หญิงที่มีทันหรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินและจกลักพิโรธจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองนี้เขาจะลม้มลงด้วยคมดาบได้ต้อง กว่าออกไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำคงเยอเสลม จ, จนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นครบทวนพี่น้องครับพวัวจนะพระเจ้าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงและก็เข้มงวดมากเพราะเหตุที่ว่าวิบัติแก่หญิงที่มีคันหรือลูกอ่อนกินนม อ, อยู่ เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงเมืองแผ่นดินและจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองนี้เขาจะล้มลงด้วยคมดาบและถูกกวาดต้อนออกไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติคำว่าเป็นเชลยทั่วทัุกประ ช, ชาชาตินั้นมีความหมายว่าคนยิวนั้นจะแตกกระสานสร้างเสนครับลูกหลานของคนยิว ก, ก็คือมาจากหญิงที่มีคันนะครับลูกอ่อนกินนม อ, อยู่ลูกหลานของคนยิว นะครับจะมีความรุกร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินโลกนี้แสดงว่าหลังจากที่คส70นะครับกรุงเยอรมนั้นถูกทำลายโดยโรมนะครับโรมนั้นได้ได้พันธงแล้วครับว่าพวกยิวนั้นเลี้ยงไม่ได้ครับเอาไว้เป็นเมืองขึ้นไม่ได้ต้องทำลายสิ้นเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของคนยิวก็คือระบบศาสนาครับเขาจะต้องทำลายพระวิหาร โลมเน้นใ น, นที่สุดก็โจมตีเยรูเซมนทับทำลายเขาวิหารหลังจากนั้นคนยิวก็ก็เซ็นกระสานแตกนะครับแล้วก็ออกไปกระจาออกไปทั่วทุกประชาชาติแต่คนยิวนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เขารักษาไว้ก็คือธรรมบัญญัติหรือโทรเตนะครับสามสิบเก้าเล่นของพระมปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทราเขาท่องเขาอ่านทุกวันครับ ในขณะเดีวยวกันเขามีชีวิตอยู่บนคำพยากรแต่คำพยากรในอิสยาบทที่56นี้ก็สำเร็จครับประคำพยากรบอกว่าภายในนิเวศของเราและภายในกำแพงของเราเราจะให้อนุษอ ร, รีและชื่อแก่เขาเหานะ้นทีนองครับยัตวาเต็ม น, นั้นมาจากคำว่า place and name นะครับคนยิวถือว่ายาัตวาเต็ม น, นั้นเป็นการ fulfill หรือทำให้คำพยากรสํสำเร็จครับ เพราะเนื่องจากว่าเขาได้สร้างสถานหรืออนุสาวรีย์ที่รับลึกถึง6ล้านคนของคนยิวแต่ละคนแต่ละคนที่จบถูกส่งชื่อเข้ามาที่พวกเขาจำได้แต่พวกที่รอดชีวิตหรือเสียวัยเบอร์ต่ทั้งหลายที่ได้รวบรวมให้ในองค์กับ6ล้านคนวางอยู่บนข อ, อคอยครับข อ, อคอยนี้เป็นรูปทรงกลวยครับนะครับตายของกลวยนี้พุ่งขึ้นสู่สวรรค์สู่ฟ้านะครับและกลวยนัน นะครับด้านข้างในของกลวยก็จะมีรายชื่อนะครับรายชื่อนี้มีทั้งหมดรายชื่อนี้นะครับมีทั้งหมดกระเจนกันนะครับว่าประมาณถึงหกล้านคนพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาใช้หนังสือนะครับเขาใช้หน้ากระดาษเนี่ยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหน้าครับที่จะบันทึกนะครับบันทึกรายชื่อของคนเหล่านี้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราทั้งหลาย ซึงเป็นพวกเราชาพระเจ้าได้ไปดูสถานที่แห่งนี้ทําเราเห็นว่าในสายพระเุ์เดชของพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสําคัญครับเราจะต้องไม่ดูถูกใครเลยในสายพันธุ์เดชของพระเจ้านั้นคนยิวและคนต่างชาตินั้นมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญมีความสําคัญเท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือเป็นคนต่างชาติถ้าเขา ไม่เชื่อพระเจ้าเขาละทิ้พระเจ้าเขาก็จะถูกตัดสินลงโทษรักษาแต่ถ้าใครก็ตามแม้ว่าเขาจะเป็นที่นี่บอกว่าขันทีทั้งหลายผู้รักษาวันสระดตูหรือเขาจะเป็นคนต่างชาติผู้เข้าจารีดถือพระเจ้าจะนันว่าคนเหล่านั้นครับต้องกลับใจใหม่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาครับเป็นลูกของพระเจ้า เหล่านั้นครับพระเจ้าจะมีชื่อนะครับและมีสถานที่ที่จะรึกไว้นั่นคือหนังสือแห่งชีวิตพี่น้องครับเวลาที่เราเข้าไปดูในยัสวาเชมนะครับเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งโดยพ่อผมนั้นผมเข้าไปผมก็น้ำตาซึมเหมือนกับจะร้องไหยย้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์นั้นปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเองอย่างไม่ใช่เป็นมนุษย์มีคำคำหนึ่งที่เขาเขียนนะครับบอกว่า ผมต้องต้องตายและประสบกับชะตากรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะผมมีความผิดแต่ผมเป็นยิวผมถึงต้องทนต่อสิ่งเหล่านี้เห็นครับนี่คือความรู้สึกของคนที่เป็นคนยิวนะครับเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับหมายถึงคนยิวที่ต้องตายในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้นะครับแต่เพราะเขาเป็นคนยิวครับ สิ่งที่จะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา ก, ก่อนนั้นก็คือเราในใในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเราจะต้องอธิษฐานเผื่อให้คนยิวนั้นได้กลับใจใช่ไหม่ครับคนยิวทุกวันนี้นั้นเข้ามาหาพระเจ้าแต่เขายังไม่รู้จักพระเยซูสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะทำไงให้เขารู้จักพระเยซูครับและอนุสาวริษานแห่งนี้เป็นอนุสาวริษานที่ร<ช>้องไห้ เมื่อได้มีโอกาสเยี่ยมชมนะครับเราก็จะระลึกถึงคนอิสราเอลในพันธสัญญาแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมครับพรงได้มีน้ำพระทัยต่อคนอยิวอย่างไรนะครับรพระองค์เข้มงวดกับเขาขนาดไหนในฐานะเราเป็นคริสเตียนครับเราจะต้องเข้มงวดเราจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ของเราเราจะต้องรักษาสถานภาพของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนครับ เราอยู่ในยุคพระคุณก็จริงครับแต่หลังจากยุคพคุณนั้นก็จะเป็นการที่รักษาครับเป็นยุคพระเดชขอพี่น้องที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้ารับพรของพระองค์โดยผ่านทางโพชนะของพระองค์ทุกวันมาพชนะของพระองค์ศึกษาพชนะของพระองค์และพรของพระองค์จะมาถึงพี่น้องให้เรารักษาโพุทชนะธรรมัญญาของพระองค์อย่างเข้มงวดซึ่งพาอางค์ย่างไวยสิ่ในการที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ในการที่ยังมีชิตอยู่บนพัวชนะของพระเจ้าอามิน